อะคาวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธาาัสสะนะโมทัสสะะควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคาวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพรภาพปรารันตะสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าพระองค์นั้นเรา <c oughs> ทุกคนได้เห็นพระพุทโกฟางต่างๆฟางนั่งสมาธิฟางนั่งขัดสมาธิ ปางลีลาปางยืนไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบดใดพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าแสดงความไม่สะทกสะท้านย่าด ก, กลัวต่อภัยอันตรายท่านสละชีวิตลงไปท่านไม่ได้มายึดถือหน้าตาตัวตนสัตว์บุคคล เร้ว่าใจของท่านนั้นเรียกว่าภาวนาอยู่ตลอดเวลาไปไหนมาไหนกลางวันกลางคืนก็เป็นพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดวันตลอดคืนส่วนคนเราธรรมดาละเนรสมัยนีย้จิตใจมันไม่ได้เป็นพระอยู่ตลอดเวลา เดียวมันจะกลับไปบ้านเดียวก็ไปโน่นไปนี่ฟุ้งซ่านลำคาญไม่สงบระงับข้อวัดปฏิบัติต่างๆก็ไม่รอบคอบแล้วก็ไม่สนใจในการที่จะฝึกหัดตัวเองอย่างว่าเดินจงกรมต้องให้ในการเดินจงกรมเปลี่ยนิริยาบท ถ้าไม่มีการเปลี่ยนเดินจมกรมบ้างนั่งไปนิดได้หน่อยนอนแล้วนอนเ้วก็ล้มลงไปหาหมอนทีเดียวอันนี้เรียกว่าต้องให้หัดหัดเดินหัดเดินจมกรมวิธีเดินจมกรม ที่เป็นครูอาจารย์ดีที่สุดก็มีพระภิกษุองค์หนึง่งมันเดินจงกรมเดินจนเข้าแตกเลือดไหลเดินไม่ได้ท่านก็ไม่ถอยความเคียรเมื่อเดินไม่ได้ท่านก็คลานเราคลานคือว่า เอาเขาลงไปเอามือทั้งสองลงไปแล้วคานไปคานก็ไม่ใช่คานเล็กๆแ น, น่นอนภาวนาเรื่อยไปจนกระทั่งว่าเขาแตกเลือดไหลคานไม่ได้มือแตกเลือดไหลคานไม่ได้ฉะนั้นท่านองค์นั้นจึงเป็นครูใหญ่อาจารย์ใหญ่ ในการเดินจงกลมแล้วเราทุกคนมีองค์ใดบ้างเดินจงกลมจนเท่าแดดมีหรือเน้น้อยได้เดินไว้ละเดินจนเท่าแดกยังไม่มีองค์ใดเดินดันั้นต้องเกลียมเดินจงกรมให้ได้นานๆเลือดลมเส้นเอ็นมันจะได้สะดวก เดี๋นีเมื่อท่านเดินเขาเขาเดินคานไปเหมือนสัตว์สีเท่าคือท่านทำอย่างนั้นไม่ให้มันง่วงเหนาเหาน่นอนไม่ให้มันหลับเียนี้พอเขาแต่คานไม่ได้ท่านก็ยังไม่ยอมความเพียนท่านไม่ถอยทําอยางไรท่านนอนขวางทางนัน กลิพุทโธเรื่อยไปกว่าทางจงกรมยาวๆไว้ในแผ่นดินกลิงไปจนสุดทางจากรมแล้วก็กลิ้งกลับมากลิ้งกลงกับมากับภาวนาพุทโธมาที่กรรน า, น, นากายตาสติกรรมาฐานมาแล้วก็กลิ้งไปใหม่ เอาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งว่าเดินแจมตมแบบกิ้งนี่แหละเลยมันไม่แตกคือมันเท่าากันหมดนะเดินแบบกิ้งเหรอไม่ยอมให้มันหลับ คนที่สดท่านองนั้นก็เลยได้สำเร็จเป็นพระโสดาพระสกิทาคาพระานาคาเป็นพระอาราหันต์ตาเพราะท่านตั้งใจแน่วแน่เด็ดเดียวอันนั้นเป็นพระสมัยข้างพุทธกาลหัวใจท่านใหญ่เท่ามะพร้าวั สมัยนี้ระเนอย่าโยมก็หัวใจน้อยเท่ากับเล็บดันทำอะไรกลัวจะ ต, ตายจริงๆได้มาตายมาเกิดก็ไม่จบสีสอนให้นั่งสมาธิภาวนาด้วยการขัดสมาเิตให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนก็ว่าไม่ไหวแล้วมันเอาขึ้นไม่ได้ แล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาก็ว่าขึ้นไม่ไหวขึ้นไม่ได้คือไม่หัดไม่ทำมันก็ไม่ได้พระพุทธโลกที่นั่งขับสมาเทคนั้นมาจากเมื่อพระพุทธเจ้าของเราสเสด็จออกบรรทัศาาได้หกพันสาล่วแล้ว พระองค์ไปนั่งภาวนาใต้ล้มไม่โพดพระองค์นั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธิของพระองค์นั้นพระองค์นั่งสู้ตายถ้าหากว่าตัสสู้ไม่ได้ตัดสู้ไม่เรียบร้อยพระองค์ยอมตายในที่นั้นแม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไป เห่อแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีคือว่ามันจะตายพระองค์ก็จะนั่งสมาธิแอบมันตายเราได้ตั้งใจสักวันสักคืนไหมนั่งสมาธิแอบมันตายสักคราดหนึ่งไม่มีมีจะนั่งพอเป็นทีทแล้วก็นอนบางคราวนอนไม่รู้ว่าเอาหัวเอาจีนไปที่ไหนแบบ เดินขึ้นมาทีมจะอยู่ทั้งหัวก็มีตัวมันหมดตั้งใจตั้งใจนั่งภาวานาให้มันได้ยางขนาดหลวงปู่มัน่นมันนั่งภาวานาเดินจนกลมท่านแบ่งเวลาอยางว่าคืนหนึ่ง ตั้งแต่พบค่ำมาแล้วก็เดินจนกลมเดินสองชั่วโมงเท่ากันกับหลวงที่วัดธรรมพระปองไปบินทบาทบ้านธรรมอันนี้มันความจำเป็นไปเอาเข้าวซุกมาถันนี่ก็สองชั่วโมงกลับมา แต่หลวงปู่มันมันเดินภาวนาเอาสองชั่วโมงพอได้สองชั่วโมงแล้วก็เรี ว, ว่ามันเป็นสองทุ่มประมาณสองทุ่มขึ้นไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาอีกสองชั่วโมงพ็พอดีสี่ทุ่มสี่ทุ่มทันกับกาวัน จำวัดก็สี่ชั่วโมงอย่างอย่างนาอย่างเช้าก็ยอย่างรสี่ชั่วโมงที่สองสองนาดีกาทันกับตื่นตื่นตอนเช้านั้นถ้าลงเดินจำกลมทันกัเดินสองชั่วโมง ก็ขึ้นไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาอีกสองชั่วโมงก็พอดีแจ้งสว่างใปดินธรรมบัดอันนี้คือว่าหลวงปูมั่นใจเส้นมั่นใจเส้นมั่นคงทำอะไรใจท่านไม่เลอะเละวันไหวเดินสองชั่วโมงเป็นกันเดินได้ นั่งภาวนาไหว้พระสวดมนต์ก็สองชั่วโมงได้อยู่ในปาในเขาท่านเด็ดเดียวบ า, บางทีบางครั้งก็จำพรรษาองค์เดียวในุ่นเขาหมอเซอร์ท่านจกจำได้อยู่ได้มันคือวความตั้งใจงสำคัญ เราทุกคนก็ให้มีความตั้งใจเป็นของตัวเองใจขี้เกียจที่ค้านมันเกิดขึ้นเมื่อใดก็ว่าให้ตัวเองสอนตัวเองคนอื่นบอกสอนนั่นแลว้วสู้ตัวเองไม่ได้ตัวเองสอนตัวเองมันทุกข์กระเบียดนิ้วไม่ดีเมื่อใดก็ว่ากล่าวตัวเอง ตั้งอกตั้งใจลงไปจนกระทั่งจิตใจมันตั้งมั่นได้คือต้องทําต้องปฏิบัติเรียกว่าต้องสัมผัสสัมผัสในการเดินสัมผัสในการยืนสัมผัสในการนั่งสมาธิธภาวนาขัดสมาธ เวลานอนนอนสีหาใญาตินอนตะแงงขวาไม่ใช่นอนหงายนอนตามสบายใจแต่นั้นสิ่งเรานี้แหละมันเป็นละเอียดเล็กๆน้อยน้อยคนเราเข้าใจว่าไม่สําคัญก็ไม่สําคัญแหละมันไปตามกิเลสแล้วก็ไม่สําคัญตัดคอมนละเอาละมันบดยอม น, นั้นต้องตั้งใจทำมันไดฮให้ให้จิตใจสงบตั้งมั่นได้ทุกคืนทุกคืนกนารไหว้พระสวดมนต์ไม่ห้ยขาดส่วนใดที่มารวมหมู่คณะนี้อันนี้เป็นส่วนหลึ่เมื่อเรากลับไปที่ของเราต้องทำของตัวเองให้เป็นเครื่องพุทตัวเอง ไหา้พระให้ได้ทุกคืนทำวัดเท้าเย็นด้วยตนเองสวดมนต์ด้วยตนเองนั่งสมาธิภาวนาด้วยตนเองและทุกข้าวที่นั่งเอาให้มันสงบได้จิตใจสงบตั้งมั่นใน แน่กจึงค่อยกราบพระไหว้พระจึงค่อยหลับค่อยนอนก่อนจะหลับจะนอนก็ตั้งใจว่ า, าเราจะตื่นเวลานั้นเวลานี้กําหนดไว้หมดจลยนอนไปจนกระทั่งมันตื่นเองมันตื่นเองก็ตะวันโด่งฟ้าละไปบินบัดไม่ทันเขาล้ว ต้องตั้งใจลงไปทไํนมันไหความจริงการหลับการนอนให้ควรให้มันน้อยลงทำไมจึงให้น้อยลงคับเวลาทุกคนมาเกิดมาปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่เรารู้หรือไม่ว่าเรานอนอยู่ในท้องแม่สิบเดือน นั่งอย่างนี้กล้องแม่ทิเดือนมันทุกขนาดไหนเฉพาะอาหารของแม่ก็ตั้งบนหัวอาหารใหม่กินเผ็ดลงไปแสกหูแสบตาร้อนไหมเศรษฐอาหารเก่าก็ไปรองนั่ง ขินหน้าเข้าไปหากระดูกสันหลังของแม่มือก็กอดหัวเขาจนทุกขนาดไหนยังอยู่ได้ตั้งสิ์เดือนมันไม่ตายไม่ได้หายใจด้วยอยู่ในท้องแม่บมมีลมหายใจทำไมมันไม่ตาย เวลาเราจะนั่งสมาธิภาวน า, าสักชั่วโมงสองสามชั่วโมงทำไมกิเลสยังมาหลอกว่าอยาไปนั่งนานนะเดี๋ยวตายน ะ, ะฉนมันตายสักชาติมนันยังนั่งภาวนาจึงจะสู้กิเลสในใจของตัวได้ให้มีความมานะอดทน ที่ท่านให้ไหว้พระพุทธเจ้าไหว้พระธรรมไหว้พระสงฆ์เพื่อจะได้เอามาเป็นตัวอย่างสอนใจของเร า, ถ, าถ้าไม่เอาพระพุทธเจ้ามาเป็นตัวอย่างบ่งนี้นบ่งีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าท่านนั่งตลอดคืน วันจัตตลู้ที่ล้มไม่โพธันนั่งตลอดคืนแล้วเมื่อจัตตรู้แล้วเห็นแล้วท่านกปขลองกับ ว, วันไหลฉะลองสมโพธนั่งสมาธิตลอดเจ็ดวันเจ็ดเจ็ดสี่สที่เก้าลอบต้นไม้สีม า, าโพธรอบต้นไม้โพธ จงโมดเดลธรรมเน้นๆนั่งสมาธิจมีที่เราเห็นพระหนา้าปกมีหัวพญานาคมาปกเปนพระพุทธเจ้าเอาพญานาคนั่งคือเดินผึ่งกฐานในว่าที่ไหนอย่างกีนี้น้ำมันก็ท่วมละนั่งอยู่ในถิ่น น้ำพรมเอาพยานาเกิดเมตตาสงสารมาดขดกนดร่างกายให้พระองค์นั่งแล้วก็เอาพังทานมุงบวาให้ฝนตกงูตัวใหญ่มันมีพานมีหนังยันยานในคอมมันพึ่งออกไปเก็นกุฏิให้พระพุทธเจ้าอยู่ แต่คนสมัยต่อๆมาทำมั น, มนไปทางเป็นเครื่องประดับไปเป็นพญานาเป็นหัวหกหัวเจ็ดหัวแท้จริงก็คือว่ามันอาใครไปเห็นงูเห่าเวลามันพบคนมันถึงเป่าพิษผูฟูมคอมันพึงออกมานั่นแหละงูมันองอ น, นั่นเปนพญานาคงูใหญ่มาช่วย่ันไม่ให้ผลละองไปถูกพระพุท ธ, ธเจ้าพันนั่งอย่างนั้นเจ็ดวันนั่งได้ก็ไม่ตายอายุเป็นยังได้แปดสิบปีพวกเรานอนมากนี่อาจจะบวถึงอายุบวถึงแปดสิบปีตายก่อน เหนี่ยืนเท่งต้นไม้โพนยืนยืนได้เจ็ดวันเห็นดูที่ท่านทำแต้ว่าเอาจนเลยเจ็บเลยปวดไม่ใช่ว่าไม่เจ็บมันก็เจ็บมันเนื้อหนังมนุษย์แต่ว่าท่านทำได้ใจท่านกล้าเสียสมาความเน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวออกไปยืนภาวนาน เพลงต้นไม่พอเก่งจุดยืนก็ยืนได้เจ็ดวันจิตอยู่ที่ท่านทำได้ท่านไม่เน็ดเลยหรื อ, หรอเหนื่อยก็มก็เหมือนกันกับเราเนื้อหนังมังสังกะดูกเส้นเอ็นเลือดเนื้อเชื่อไซแบงมาจากเนื้อหนังมนุษย์มันก็เหมือนกัน แต่ว่าเ่ามันความเคียรความหมันความขยันความตั้งใจไม่เพียงพออะไรก็กลัวเจ็เจ็บกลัวเจตายตะนั่งที่ไหนก็ทำราเด็กกางมุ่งไปอยู่ไม่ได้ยุงกัดยุงจิ้นคิดดูพระพุทธองค์พันนั่งยืนภาวานามันบ่ได้มีมุ่งมีหมอนอย่าง หมอนก็ไม่มีคือคนบริทังใจนอนเหมือนพวกเราทั้งใจนั่งภาวนาทีนี่ก็เดินจมกลมมเดินจมกลมทั้งก็เดินได้เจ็ดวันเดินไม่หยุดเจ็ดวันน่นมันไปได้ไกลขนาดไหน มันเดินจมกลมกืเจ็ดวันเราเดินนิดหน่อยก็ว่าตายแล้วตายแล้วไปตายง่ายอยนะ่างเงตายโอขาดของแง่คนนีัหก็าตายมันมาเดินจมกลมมันนั่งภาวนาน้อยหนึงก็กลัวจะตายมันเนี่ยตั้งใจให้มันเอาให้มันสู้กับกิเลสในใจอ่ะ กิเลสโลเลนะระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าจะเป็นปพุทธเจ้ามันกักิเลสมันหนีเองมนไม่มีนะกิเลสมันเฝ้าร่างกายกองกระดูกอันนี้มาทุกทุกทา่าตถ้าเราไม่ปฏิบัติภาวนาไม่ศึกษาธรรมในทางพุทธศาสนา โมวเต็มจินจินนอนนอนฟุ้งซ่านลำคาญอยู่นั่ชูมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็นลาดไปกิเลสราคะโทสะโมหะมันลาดไปเก่ไปดึงไปฉะนั้นต้องตั้ง อ, อกตั้งใจลงไปชานภาวนาปฏิบัติบูชานี้ เหมือนกับว่าเราตกลงไปในน้ําด้วยการข้ามสะพานหรืออะไรก็ตามเราจะไปร้องขอว่าให้มาช่วยเขาไปเจ้าบ้างเขาไปเจ้าตกน้าแล้วจะตายหรือไม่ตายแย่แล้วไปร้องไหนหาใครแต่มื่อไปร้องให้คนอื่นมาช่วยมันจะตายก่อนมันจมน้ำตาย มือเราก็มีว่ายน้ำเท่าก็มีว่ายน้ำฮัดว่ายน้ำมันกินพลนข้ามพลนไปเนียการภาวนาท่านสอนไว้ว่าเหมือนกับคนที่ตกลงไปในแม่น้ำไหลเชี่ยวถ้ามีซากศพที่มันเน่ามันตายเนี่ยากศพคน คนที่ตายแล้วจะจมน้ํามันเลยไง ม, มันจมลงไปใต้น้ําพราะมันเน่าแล้วคล่องมันมีลมลอยมาแหละมันถ้าถ้าศพมากเราต้องถือว่ามันเห็นมันนั่นแหละก็ต้องเอาซากศพนั้นชูพาลอยไฟเพื่อไม่ให้ตัวเราจมน้ําตาย เกียรเหมือนอยังว่าอสุภกรรมฐานในตัวเราเ น, นี่ยให้พิจารณาตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตัดไตไส้พงุงอาหารใหม่อาหารเก่าอัติกางกระดูกสา0รอยอดดูร่างกายเนี่ยให้เห็นเป็นอสุภกรรมฐาน ให้เห็นว่าร่างกายของเราของเขาไม่มีที่ไหนสวยนานเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆจนกระทั่งเห็นของตัวเองว่ามันเป็นของปฏิกูลจริงๆถ่ายอุจจาระออกมาถ่ายปัสสาวะออกมา จนกระทั่งไม่ให้มันมากระเทือนในจิตในใจผู้ใดเป็นเพศชายก็เมื่อเห็นเพศหญิงก็ไม่ให้เห็นว่าเป็นของสวยของงามมันก็ปฏิกูลอันเดียวกันน้ำาลือดน้ำเหลืองของคนมันขายเทกันมามันคอยรอแต่จะเน่า เอลาคนตายเราทุกคนคงได้ไปเห็นมันหอมที่ไหนยิ่งตายหลายวันมันจริงค่อยเผาเน่าทางนั้นแหละผู้ที่เห็นเป็นเพศหญิงเมื่อเพศชายผ่านไปก็ไม่เห็นว่าเป็นของสวยของงาม มันก้กอนอสุภะตามอชานอันเดียวกันความจริงตัวคนเราคนหนึ่งคนหนึ่งในตัวของเรานี่แหละโดยสมมติว่าเป็นของเราธาตแท้มันไม่ได้เป็นของใครมันเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมประชุมกันอยู่เท่านั้นต้องกำหนดให้รู้ให้เข้าใจ ชีวิตของคนเราไม่นานอัปปังชีวิตต่างชีวิตนี่นีน้อยที่สุดดูค่ะเวลาเรายังไม่ตายเดี๋ยวก็ได้ข่าวคนนั้นว่าตายได้ข่าวว่าพระองค์นั้นตายเน้งองนั้นตายอีนี่ยิ่งได้ยินข่าวหลายอย่าง ฝังค า, า่าทอายุกเก้าชิดเกตก็ยังตายเล่าทุกคนมันไม่ตายจะไปอยู่ไหนต้องตายแน่ๆตายแล้วเป็นอย่างตายแล้วก็นเนา่าที่เขาไปฝังทิ้งนีกไปเผาไฟเพื่อไม่ให้กินมันเหน็นแจ่มูกเขาทั้งหากเล่าต้องปีกรณา เราต้องทำด้วยกำลังศรัทธาของเราพินิจพิจารณาทำไมพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจึงเกิเกดอสุภกรรมาฐานเห็นแจ้งในใจิตในใจได้เราทำไมมันไม่เห็นเพราะเราขี้เกียจขี้ค้านเห็นจะนอนผมพราอายมันอยู่เรื่อยกลัวจะมันตาย รักษาแ่วนเกิดเลยร้อยปีมันก็ตายได้ต้องตั้งใจขึ้นมากินข้าววันละบาทละบาทมาภาว น, นาหนึ่งน้อยหนึ่งก็กลัวตายมนได้เพ่งดูตั้งใจหัวถึงจีนจะจินถึงหัวทางนอกทางในที่จรนาให้มันเห็น จะเพ่งก็ว่าพีหน้ามันก็ไม่เห็นจะเห็นอะไรมันห่ดตั้งใจดูนั่งดูตั้งแต่เช้าจนค่ำทักวันหนึ่งวันนี้นั่งอยู่ตั้งแต่หัวค่ำจนแจ้งกลางฝั่งดูที่ภายในมันจะบบเห็นร่างกายกองกระดูกมันไม่ได้วิ่งไปวิ่งมามันหันหุ้มที่ไหนมันก็มีกองกระดูกมีเนื้อมีเอ็นทั้งนั้นแหละ ฉะนั้นเราทูตเป็นนักบวชมาภาวนาในป่าในถรร้มในที่เงียบขณะท้องทิจรรณาให้ได้บวชก็ได้ไม่บวชก็ได้ภาวนาดูดูให้มันเห็นแจ้งจนกระทั่งมาเกิดนิพพิทายานเบื่อหน่ายเหมือนพระอริยสงสาวกเมื่อท่างทิจรรณาทบทวนไปมาแกงแจ้งในจิตในใจแด้ว ท่านก็เลิกละคือท่านกว้างทิ้งไม่ปล่อยให้ความว่าเป็นของมั่นคงถาวนมาอยู่ในใจเลยเห็นคนก็เห็นคนอโศกกรรมฐานเห็นคนก็เห็นความตายของคนนั้นเห็นตัวเรา เมื่อเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บไข้ผลที่สุดก็ตายตัวเราตัวเขาเหมือนกองเหม็นแต่คนในบ้านในเมืองคนในกรุงก็ตาถ้าตายแล้วก็เน่าเหมือนกันนะที่เขาเก็บไวนะ้น่ะ ตายแล้วเขาเก็บไเหใบไโลงไว้เอาไปฝังไว้ไปเก็บไว้ยังไม่ได้เผาเคยไปเอาลงที่เขาใส่ศพนะมาทำเป็นเตียงนอนมันไม่รู้กี่ปีกี่เดือนมันก็ยังมีเหม็นเน่าอยู่ร่างกายมนุษย์ที่มันไปติดอยู่ในไม้ในกระดาน ดังนั้นเราอยากสาคัญว่าเราเป็นคนหอมไม่มีอะไรหอมมันมีทวารทางเก้าตาสองหูสองฟองจมูกสองฟองปาลิน้นมันมีแต่กะปรงตัง น, นันทวารหนักทวารเบาเป็นที่ไหลเข้าเทออก ซึ่งของปฏิกูลโสโคกวันหนึ่งวันหนึ่งก็ต้องอาบน้ำล่างหน้าล่างตัวล่างจีนทักผ้าอะไรตอมีอะไรเพราะร่างกายสังขารของคนเหล่านี้โดยธรรมชาติมันเป็นของไม่สวยไม่งาม พระพุทธเจ้าท่านเพิงสอนมาให้พิจารณาให้เป็นอสุภกรรมฐานคำว่าอสุภะนะคือว่าของเปลือยของเน่าของปฏิกูลอย่าไปเห็นรูปร่างกายของตัวเองเป็นของสวยของงามเป็นของมั่นคงถาวรมันรอวันตายอยู่ทุกคนนะ สมัยนี้ยิ่งภัยอันตรายมากมายที่คนเราไปไหนมาไหนไปอาศัยรถเรือพาไปเวลามันไปชนกันเข้าก็ตายลูกเดียวนะตายแล้วมันเป็นไงขนเน่าเลือดไหลออกเอรีเน่าเหมือนสองสามวันแล้วเนี่นเลโกเฟอรววาดเราก็ไป ได้ดูอสุภกรรมฐานเขาไปเขาชนกันไม่ใช่โซเฟอร์เราไปชนไปเห็นจะเอามากำหนดกรรมฐานหรือเห็นเป็นของสวยของงามไปก็ไม่ดูพราะมันชนกันแล้วมันเลยพวงมลาลัยมันอยาก็แทกเข้าหน้าอกเข้าหน้าเสนตายไปเลยเนะ่ยตายแล้วเป็นอยังก็เ น, น่าเปื่อย นั้นในพาคกันคิดอ่านที่ารนาสอนตัวเองตั้งใจให้มั่นคงเราดูให้มันทั่วถึงภายนอกเป็นอย่างไรภายในเป็นอย่างไรมันหลงหนังหนังนี่ก็ทะลากออกลอกออกให้มันได้ลอกหนังมันเขาลอกหนังโคกระบือ ถ้าลอกหนังตัวเองไม่ได้มันก็เห็นเป็นงามไปหมดถ้าลอกหนังออกได้มันไม่มีอะไรงามถ้าลอกหนังออกได้เลือดแดงเลือดไหลออกมาเน่าเปืออ่อยอะไรเป็นงามที่ไหน คนที่ตายแล้วไม่มีงามคนที่ว่างามคือว่าคนไม่ภาวนาไม่ได้กาหนดอสุภกรรมฐานพระกรรมฐานปทีนวัตทุไม่ได้กาหนดพิจะะารณาโมกินโ ม, นโมเล่นสนุกแกล้งเนีย่ยมันก็งามนันงามไปที่ไหนงามถึงฝังดินเผาไฟสิง นั้นอย่าพา ก, กันนิ่งนอนใจพุทโธในใจมัดจิตใจของตรงให้อยู่ไม่ไปไหนเพ่งดูให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก ใ, ให้จิตขาดสติขาดสติไม่ได้ต้องมีสติทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอน ั้งพูดจาปราศัยทําอะไรให้มีความรอบคอบในกายวาจาจิตของตัวเองรวมเรียกว่าภาวนาเอาจนเกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาถรรในใจของตัวเองสอนตัวเองจนกําจัดกิเลสราคะได้หมดกําจัดกิเลสโทสะได้หมด กรรมจัดกิเลสโมหะได้หมดสิ้นเราจะไปคิดน้อยเดียวหนึ่งเพียงแต่ว่าใจข้าประเจ้าไม่สงบระงับหลวงพ่อจะให้อุบายได้สงบระงับมันเท่านั้นบพอให้นั่งภาว น, นาทุกคืนเอาจนเลยตายนยมันว่า ้ามันเลื่อยตายแล้วมันก็ไม่กลับมาตายอีกถ้ามันยังกลัวตายยังมันต้องมาตายมาเกิดอย่างนี้กัะมันยังเลยไม่ได้ถอนยังไม่ได้ถอนรากแก้วกิเลสออกจากกายวาจาจิตของตัวเองยังมาเด็ตดว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราเราเป็นนั่นเป็นนี่ เป็นอะไรก็เป็นอสุภกรรมฐานนั่นเละเป็นสีตา ย, ยให้นั่นจงภากันลกขึ้นภาวนาด้วยตนเองคําคําสอนพระพุทธเจ้านั่นแล้วคุนชี้ไว้บอกไว้เท่านั้นเวลาเราจะเข้าใจจะรู้ได้เข้าใจเราต้องกําหนดพิจะะารณา จนเห็นจนเข้าใจด้วยสติปัญญาของตัวเองไม่ใช่คนอื่นมาพิจารณาให้ได้ไม่ใช่คนอื่นมาดูมาพิจารณาตัวเองต้องเท่งไงเห็นผมเป็นยังไงขนเป็นยังไดเล็บเป็นยางไรฟวันเป็นยังไง พกอย่างในร่างกายอย่าให้มันเป็นกบนั่งเฝ้ากอบัวกบนั่งเฝ้ากอบัวน่ะมันไม่รู้ว่าดอกบัวมันมีกลิ่นหอมอยังไงคนเราที่เกิดมาไม่ภาวนาไม่บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามันก็มาเฝ้าตัวไว้เหมือนกบกบมันเฝ้ากอบัว อยู่บนหัวก็ไม่รู้สึกจิตใจมาเกิดมาเดืดอยู่ถืออยู่ในธาตุสีกันห้าอันนี้หลายเศ็ดกีแล้วมันก็เป็นกบนั่งเผ้าโกบัวอยู่ไม่สินิ จ, จิตจรณะแตงนั้นต่อไปให้พาการตั้งอกตั้งใจขึ้นมาใหม่อย่าให้เป็นใจมืดมนอนทกการ เกียดข้ามภาวนากลัวตายอยู่ไม่ได้เอามันเลยตายเลยตายมันอยู่ที่ไหนทำไมท่านยังพูดว่าเลยตายเลยตายมันเป็นยังไงกูเจ็บนันไม่ตายแล้วไปกลัวมันตายอันรูปร่างกายนี่ถึงเวลามันจะตายลต่ใครจะเกยยาพยาบาลอย่างไรมันก็ไม่หยุดตายจนได้ นี่เป็นโอบายเตือนเราท่านทางหลายทุกคนทั้งหญิงชายเด็กหน่มแก่ลกขึ้นภาวนาอย่าไปเห็นความสุขสะดวกสบายเล็กๆน้อยๆดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยกาละชนี สติติโยวิวัตถันตุสภาะโลโกวินัศตุมาเตภ ว, วัตวันตรายโยตุกิฏิคาโยโกภวะอภิวาธานาสีริสนิจังบุ ธ, ธาปัจจายิโนจตาโรโธรรมาวะทันติอายุวันโนโสุขังภาลัง สมาธ <c oughs> ิการนั่งกรรมฐานแล้วเรียการนั่งกรรมฐานก็ให้ดูตัวอย่างเมื <c> ่อ <oughs> <ME> พระพุทธเจ้าของเรานั่งสมาธิภาวานาใต้ลมม้มไมโผพระองค์นั่งขัดทับเนี่ยสมาธิขัดสมาเท เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขว า, าวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาพระพุทธเจ้านั้นท่านภาว น, นาอา น, นาปะเป็นอุบายธรรมก่อนที่ท่านจะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้า คือลมหายใจเข้าออกมันมีอยู่ทุกตัวสัตว์ทุกตัวคนท่านก็กำหนดลมเข้าลมออกด้วยสติสัมปชัญญะรักษาจิตใจของพระองค์ไม่ให้คุ้งซ่านไปที่อื่นเวลาสูดลมเข้าไปก็กำหนดทันว่านี่เป็นลมเข้า เวลาลมออกมาก็ระลึกได้ว่านี่เป็นลมออกมาเอาลมหายใจเป็นจุดหมายเอาจิตใจที่ตามรู้ลมเข้าออกเป็นสติให้จิตใจตั้งมั่นโยภายในจิตใจตรงนี้ แล้วรวมจิตรวมใจของพระองค์เข้าสู่ความสมงบหลังครับอารมณ์เรื่องราวต่างๆที่เป็นอดีตอนาคตท่านก็เลิกละปลดปล่อยออกไปแม่เราท่านทั้งหลายเวลานี้ขณะนี้ก็อย่าให้จิตใจเราเลื่อนลอยออกไปภายนอกภายนอกภายในนั้นมีอยู่ที่ สัจปริยนโจหนังหุ่มโยเป็นที่สุดลอ่อคือร่างกายของเราทุกคนนี่เองไม่ให้จิตใจคิดไปนอกหนังหุ้มโยคือให้คบทวนกระแสเข้ามาภายในภายในหนังหุ้มโย <c oughs> ภายในหนังห่มโยเป็นที่สุดรอบนี่เรียก ว, ว่าภายในจิตที่คิดออกนอกหนังออกไปรียวว่าเรื่องภายนอกเรื่องภายนอกนั้นมันห่างไกลออกไปไม่จบไม่สิน้นถ้ารวมเข้ามาภายในภายในหนังห่มอยู่นี่เรียก ว, ว่าใกล้เข้ามาภายในหนังห่มอยนี้ เรียก ว, ว่าตาจักจริยันตมีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบที่หนังหุ้มโยนี้เต็มไปด้วยน้ำเลือดเต็มไปด้วยน้ำเหลืองเต็มไปด้วยธาดน้ำถ้าดูให้เห็นภายในจิตแล้วจิตจะไม่หลงลักหลงสังเพราะภายในหนังหุ้มโยเป็นสิ่งปฏิโกลไม่สวยงาม แคนั้นทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจงเป็นผู้มีสติความะระลึกได้ในใจของตัวเองอยู่ภายในนี้เสมอลมเข้าไปก็ให้นึกถึงคุณพระพุทธเจา้าว่าพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธพุทโธ ท, ทุกลมหายใจเข้าออก เมื่อนึกเมื่อเจริญแล้วก็ลดละทิติมานะความเห็นผิดต่างๆในจิตใจนั้นออกไปไม่ให้มายึดถือเพียงว่าหน้าตาชื่อเสียงอะไรต่อ น, นี้อะไรนี่เป็นตัวเราของเราสิ่งเหล่านี้เราต้องมองลงไปให้เห็นว่าอันแท้ที่จริงร่างกายกองกระดูกของเราทุกคนนี้ ไม่มีอะไรที่จะเป็นของสวยสดงดงามเต็มไปด้วยปฏิโกณคือของไม่งามทางนั้นถ้าหากว่าผู้ใดมองเห็นเนื้อหนังมังสังภายในนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีราการต่างๆเจ็ดใจจะได้ลดละตัวมานะทิฏฐิความเห็นผิดภายนอกออกไปให้หมดสิน้น เจตใจจะได้มั่นคงโยภายในเรียกว่าสมาธิตั้งใจให้มั่นเมื่อใจมีความมั่นคงหนักแน่นเดี๋ยวนธรรมปฏิบัติทุกลมหายใจเข้าออกเรื่องความยึดหน้าถือตาความยึดหักชาติยึดตะกูลยึดเรายึดของของเหล่าก็ต้องหายออกไปเต็นใจิตใจที่ว่างเปล่า โยภายในใจนั้นใจนั้นจะไม่ต้องไปทุกข์ไปรอนกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายเพราะถึงสิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมของโลกไม่ใช่ธรรมะปฏิบัติธรรมะปฏิบัติคือเป็นจิตใจที่ปล่อยวางไม่ยึดอะไรถืออะไรเข้ามาไว้ <c oughs> สิ่งใดโยภายนอกก็ให้โยภายนอกไม่ให้จิตใจไปยินดีไปเกียดทั้งจนถึงขั้นอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวนนั่นก็คือว่าขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดยิชาความรู้ความเข้าใจข่องแท้แน่นอนในจิตใจของตัวเอง ต้องยกจิตใจของตนให้ออกจากความลุ่มหลงเหล่านี้ความลุ่มหลงเหล่านี้มันเป็นเมฆเป็นหมอกกิดบังดวงจิตดวงใจไม่ให้มองเห็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมสภาวทธาตุโลกนี้คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเขามีโยอย่างนี้ก่อนเรามาเกิด เขาก็มีโยอย่างนี้แม้เรามาเกิดธาตุดินน้ำไฟลมก็มีโยอย่างนี้หรือเราตายไปแล้วตัวเราของเราอย่างที่นั่งอยู่นี้ไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมก็มีโยอย่างนี้อสุภกรรมฐานร่างกายเป็นของไม่งามก็มีโยอย่างนี้ สิ่งเหล่านี้แหละเราต้องรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันไม่คงที่ไม่เป็นโยยางนี้ตลอดไปเมื่อวันเวลาเปลี่ยนแปลงไปสิ่งเหล่านี้มันก็เปลี่ยนไปแปลงไปไม่คงที่อย่ามายึดเอาถือเอาจงปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ไว้ตามสภาวะอย่างนั้นให้จิตใจนี้มารู้เท่าทัน ไม่ให้หลงไปตามสังขารละมานมานคือตัวสังขารจิตที่ปรุงแต่งคิดนึกอะไรต่อ น, นี้อะไรไม่ขาดสายไม่ต้องตามมันไปตามดูที่ลมเข้าลมออกเท่านี้นพอแล้ว <c oughs> ลมเข้าไปใครเป็นผู้รู้ว่าลมเข้าไปลมออกมาใครเป็นผู้รู้ว่าลมออกมา ลมเข้าลมออกต้องมีจิตใจรู้รู้ว่าลมเข้ารูล้ลมออกพร้อมด้วยสติคือความะระลึกได้ไม่ให้ใจมึนๆงงๆอยู่ในใจให้ใจมันแจม่มแจม้งชัดเจนอยู่ในองค์พระคือว่ารัชนะแปลว่าแก้วแก้วคือของใสใจที่ไม่มีความโกรธ มักหมมไว้ในใจนั่นแหละเรียกว่าเป็นละตะนะัตตนาผู้ใดทำใจให้ใสสว่างทั้งภายนอกและภายในไม่ว่าจะอะไรผ่านมาก็รู้เท่าทันว่าอานิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนาตาไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใด เจ็ดใจอยาได้ใปหลงยึดเอาถือเอาว่าตัวกูของกูตัวเราของเราเพราะในร่างกายสังขารจิตใจอันนี้ใครจะไปยึดไปถือว่าเป็นของมัน่นคงยั่งยืนไม่ได้รักษณาอนิจจังทุกขังอนัตตามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้ปฏิบัติธรรมจงเป็นผู้มีสติความดุริศได้ในใจของตนให้ได้ทุกเวลาไม่ว่าร่างกายจะนั่งก็ตามนอนก็ตามยืนก็ตามเดินไปมาที่ไหนต้องมีสติทุกตาโดหูฟังทุกขนกจมูกดมกลิ่นลิ่นลิ่มรสกายถูกต้องพอตั้ะ ใจคิดโย่ในธรรมอารมณ์ใดๆใดก็าตามให้มีสติคือความระลึกได้ว่าจิตใจนี้ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องผูกพันกับเรื่องผู้อื่นคนอื่นจงรวมกำลังเข้ามาตั้งให้มั่นในหัวใจของตัวเองอย่าไปยึดอะไรถืออะไรจนเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นตัวเป็นตนขึ้นมา เพราะสิ่งทั้งหลายนั้นมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งรูปร่างกายของคนสัตว์วัตถุธาตุต่างหลายไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนมีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างนั้นเองเมื่อรู้ไม่เข่าเอาไม่ทันจิตใจก็เข้าไปยึดไปถือว่าเป็นของของตัวเอง ท, ทั้งที่บอกมันก็ไม่ฟังอานิจจังสุ ข, ขังอนาาตัตตาเิ็โลกเมื่อเต็มเช่นนี้ผู้ปฏิบัติธรรมภายในจิตใจจึงไม่ต้องวุ่นวายภายนอกจงรวมจิตรวมใจของตนเข้ามาภายในจนมองเห็นแจ้งชัดว่าทัฟังชีวิตตังชีวิตของเหล่านี้มีน้อยที่สุดไม่ใช่มากมายอะไร มันแค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกงี้เขานั้นเอง mm hmm. เมื่อบุคคลผู้ใดมามองเห็นได้ว่าชีวิตเป็นของน้อยนิดเดียวผู้นั้นจะเกิดความไม่ประมาทขึ้นมาในใจิตใจจะต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสไม่ให้กิเลสความกรอดมาโยในใจไม่ให้นีกิเลสความโลภมาโยในใจ ไม่ให้เมต์ามหลงเข้ามาอยู่ในใจทำใจของตนให้แจ้งใสหมดจดสะอาด <c oughs> ทุกิริยาบทยืนเดินนั่งนอนเรียว่าตั้งโยในความไม่ประมาทมัวเมาความไม่ประมาทมัวเมมนั้นท่านว่าอยู่ที่มีสติสตินั้นคือความละลึกได้สตินั้นท่านว่า เหมือนกับว่าที่เลี้ยงดูแลเด็กทารกไม่ให้ตกไม่ให้เกิดภัยอันตรายไม่ว่าทารกนั้นจะเคลื่อนไหวไปมาอย่างไรที่เลี้ยงที่ดูก็จะต้องระมัดระวังรักษาเยตใจของตัวเองนี่แหละจะต้องมีสติความระลึกอยู่ในใจของตัวเอง ว่าสิ่งใดที่มันยึดมั่นถือมั่นอยู่ในใจก็เพียรพยายามเลิกละปลดปล่อยออกไปสิ่งใดที่มันจะเกิดขึ้นมาใหม่ก็ตามรู้เห็นอยู่ภายในเรียกว่าไม่ปล่อยให้อำนาจายตำ่ำพาเอาจิตใจหลงไหลไปตามอำนาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลง ทำใจของตนให้ใสเหมือนแก้วมันมีโชตคือว่ามองเห็นตลอดต่เวลาว่าจิตใจหลงอยู่ในอารมณ์อะไรคล้องอยู่ในเรื่องอะไรติดอยู่ในเรื่องอะไรในใจนี้ก็เทียนพยายามเลิกละออกไปให้หมดให้ใสสะอาด จนไม่มีความโกรธอยู่ในใจไม่ให้มีความโลภอยู่ในใจไม่มีความหลงอยู่ในจิตในใจพร้อมที่จะต้องเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตใจออกไปไม่ให้ใจร้อนร้อนด้วยกิเลสความโกรธด้วยกิเลสความโลภด้วยกิเลสความหลงในจิตใจภาว น, นานอยู่ตลอดกาล ไม่กระพาะแต่ว่าเวลานั่งสมาธิภายในจิตใจนั้นนั่งก็ภาวนาให้ได้นอนโยยังไม่หลับก็ภาวนาให้ได้เดนโยก็ให้ภาวนาได้เดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาให้ได้เรียกว่าบังคับบัญชาตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ให้จิตประมาทมัวเมา เพลอเลอมาโยในใจให้ใจใสสว่างกระจ่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถนี้จึงชื่อว่าการทำสมาธิภาวนาได้ทุกการทุกเวลาทุกอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนทุกลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าสอนไว่วา การปฏิบัติภาวานานั้นเมื่อเรานึกถึงอบายทมใดมาเป็นโอบายสอนใจก็ให้นึกให้ได้ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกตามโดยโยเหมือนลมหายใจเข้าออกโดยเฉพาะท่านให้ระลึกถึงมรณะความแตกดับความทำลายของโลกนามนี้ให้ได้ ท่านว่ามาละลานะมละลานังคือความตายจงนึกได้ทุกลมหายใจเข้านึกให้ได้ทุกลมหายใจออกว่าต้องตายแน่ๆคนเราเกิดมานั้นใครจะเอาเวลาไหนไม่ได้ท้งนั้น เกิดมาวันนั้นตายวันนั้นก็มีเกิดมาสองสามวันตายก็มีอาทิตย์หนึ่งตายก็มีสิบห้าวันตายก็มีเดือนหนึ่งตายก็มีปีหนึ่งตายก็มีภายในเกิดมาแล้วจะต้องตายได้ทุกชั่วโมงนาทีวินาทีจะประมาทมัวเมาอยู่ไม่ได้ต้องตั้งใจขึ้นมาภายในจิตใจของตัวเอง ให้พร้อมอยู่เสมอภายในจิตใจนั้นไม่ปล่อยให้ความง่วงเหาเหานอนเข้ามาทับผมใจทำใจของตัวเองให้แจ่มแจ้งภายในใจนั่นเอง <c oughs> เอาจนกิเลสต่างๆมาจับมาอยู่ในใจไม่ได้ไม่ปล่อยให้ความกอด กันเป็นความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรแก่คนแก่สัตว์เกิดมีในใจของตัวเองในใจของตัวเองให้มีแต่ความเมตตาตนคือว่ามุ่งหวังให้ตัวเองลดท้นออกจากกิเลสความโกอดโลภหลงให้ได้มุ่งหวังให้แก่บุคคลผู้เอื่น เลิกละกีแลความกลอดหลบหลงให้ออกจากจิตใจไม่ให้มันเป็นจิตใจอิจฉาตา ร, ร้อนแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจงเทียนแช่งโยภายในใจของเราให้มีสติเตือนใจของตัวเองให้ได้ตลอดเวลาเมื่อความตายมาถึงเราจริงๆแล้วก็จะได้พร้อมที่จะตจ้องเลิกเลิกละทุกสิ่งทุกอย่าง ว่านี่คืออนิจจังมันไม่เที่ยงไม่ต้องยึดถือทุกขังมันเป็นทุกอย่าไปยึดเอาถือเอาอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราอย่าไปยึดเอาถือเอาปล่อยใจิตใจนี้ให้ว่างเปล่าสบายเย็นอยภายในท่านให้เชียกว่าการปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนา ดังกรแดงมาก็สมควรด้วยกาละเบลาเอวังก็มีด้วยประกาละนีสัพเทโยวิวัตันตุสัภโลกมีนัตโตมาเตภาวะตวันตราโย ο. สุขิเทคายุโกภวอทิวาธนาเีริเนจังวุธาปจาริโน จตาระธรรมะวันติอายุวันโสุขังพาลังปราบคามกิเลสความโกรธก็ได้ปราบความกิเลสความโลภก็ได้ปราบความกิเลสความหลงได้หมด นั้นไม่มีอะไรที่จะมาปราบความกิเลสลาคะโทสะโมหะได้ดีเท่ากับปฏิบัติภาวานานั่งสมาธิภาวานานั่งสมาธิภา ว, า น, า น, าภาวานานี่แหละเป็นการตัดการโซมานกิเลสมันจะปรงแต่งอะไรอะไรอย่าไปเชื่อไปหลง พุโทโธทุกลมหายใจเข้าออกหรือว่ามีสติทุกลมหายใจเข้าออกมีสมาธิทุกลมหายใจเข้าออกมีปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อผู้ใดมาตั้งจิตเจตนาอย่างนี้มั่นคงในใจของตัวเอง บ, บุคคลผู้นั้นก็จะได้เป็นผู้เฉลียวฉลาดสา ม, มารถอ่านอัดบ่วงห่วงอะไรรูนหน้าตาของกิเลสราคะโทสะ